บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยะแห่งวัมิเกสูตรคือประตูที่ทรงแสดงอุปมากายเหมือนกับจอมปลวกซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติได้ ปฏิบัติสืบต่อกันไปก็จะได้พบสิ่งที่สุมเมธธรรมนพคือผู้ปฏิบัติกลาวเรียนอาจารย์ว่าชิ้นเนื้อซึ่งอาจารย์ก็ให้ยกชิ้นเนื้อนั้นออกมาคําว่าชิ้นเนื้อดังที่ได้กล่าวมาหน่อยหนึ่งในวันที่แล้วว่าได้แก่นันทิคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ ทำไมความรู้สึกเพลิดเพลินจึงมาอยู่ในส่วนลึกของจิตใจได้มากทั้งนี้ก็เพราะว่าลักษณะของความเพลิดเพลินเป็นกิเลสสายโลภะประกอบด้วยความกำหนัดความยินดีเวลาเจือจางลงก็จะเห็นได้ว่าชื่อของธรรมะก็เปลี่ยนแปลงกันมาโดยลำดับเช่นว่าเป็นกามาฉันทะ ความพอใจรักใคร่บางเป็นความเป็นรัติหรือความยินดีเป็นต้นบ้างเนื่องจากในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือแม่วิปัสสนากรรมฐานในขั้นตอนที่บุคคลผู้ปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับนั้นมีอารมณ์แปลกม่บางอย่างบังเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่เป็น วัตถุกรรมตรงๆอย่างที่เข้าเจอกันแต่ก็เป็นวัตถุกรรมที่ประณีตซึ่งทําให้บุคคลผู้ปฏิบัติมีความกําหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นได้เช่นว่ามีความเพลิดเพลินในความสงบมีความเพลิดเพลินในปีติในความสุขตลอดถึงในวิปัสสนูปกิเลส ท, ที่เคยกล่าวมาแล้วในวิสุทธิทั้ง7ประการ และแม้แต่ความสงบระ ง, งับดับไปของเพลิงกิเลสด้วยกำลังแห่งฌานที่เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างแรงกล้าก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้ปฏิบัติตั้งนั้นนันทิจึงมีอยู่ในแต่ละจุดของการประพฤปฏิบัติกว่าจะสัมผัสผลอันแท้ จ, จริงในทางพระพุทธศาสนาในบางโอกาสพระธรรมเทศนาหลายแห่งที่พระภูมีพระภักเจ้า ทรงแสดงธรรมะเหมือนกับพ่วงแพรหรือเหมือนเรือที่บุคคลจะต้องอาศัยข้ามฝา่งถ้าหากว่าบุคคลมัวเพลิดเพลิอนอยู่ในแพรหรือในเรือที่อาศัยข้ามฝักงก็เป็นความสุขความสบายในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลผู้ลงไปในเรือหรือในแพรและต้องการจะข้ามฝาก ธรรมะในการประพฤติปฏิบัติจึงมีลักษณะส่งบุคคลไปตามลำดับเมื่อสัมผัสผลระดับหนึ่งมันก็ดีสำหรับระดับนั้นแต่ถ้าหากว่าเพลิดเพลินสยบติดอยู่ในผลเหล่านั้นโอกาสที่จะก้าวไปในชั้นที่สองชั้นที่สามก็มีไม่ได้ดังนั้นบางครั้งจึงอุปมาเหมือนกระรถที่ส่งคนผู้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง อาจจะต้องผัดเปลี่ยนยานภานะกันเรื่อยไปแต่ว่ายานพานะแต่และยานพานะนั้นก็หนวยความสะดวกสบายความสนุกสนานให้แก่ให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลดอกนั้นแต่บุคคลจะต้องเข้าใจว่ายานพานะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดหมายปลายทางที่ตนจะพึงไปแม้ในรนยานพานะจะมีความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะติด อยู่ที่ยานพาหนะเหล่านั้นพยายามที่จะเปลี่ยนยานพาหนะไปโดยลําดับจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการธรรมเทศนาในแนวนี้เป็นการแสดงในลักษณะที่ขัดเกลื่อจิตใจของบุคคลขึ้นไปโดยลําดับทําให้มีความสะอาดมีความสงบมีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละจุดไม่ใช่เป็นความเลวร้ยราย ก็เป็นความดีในจุดของตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นส่งแสดงเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์ซึ่งเป็นผลที่บุคคลผู้ยังแหวกไหวอยู่ในสังสารวัฏยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดจุก็ต้องเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงส่งแสดงโทษของกามคุณทั้งหลาย ไม่ว่าทั้งเป็นทิพย์หรือทั้งเป็นของมนุษย์ก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาและในที่สุดก็ทรงชี้ถึงผลในธํานองตรงกันข้ามคือการที่บุคคลผู้ปฏิบัติสามาร ถ, ถถ่ายถอนกายและจิตของตนออกจากอำนาจของความกาหนัดและความเพลิดเพลินในกัตุกรรมทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ว่าจะเลวประนีตอยาบละเอียดไกลใกล้ก็ตามในที่สุดก็สรงชี้ทางแห่งการประพฤติปฏิบัติโดยผ่านขั้นตอนไปตามหลักของอริสัติก็มีลักษณะเหมือนกับบันไดของธรรมะที่นำบุคคลผู้ก้าวเดินให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับคล้ายๆกับเป็นบันไดที่ขึ้นสู่ปราศาสตร์เมื่อขึ้นไปแล้วก็ได้รับความปลอดภัยปลอดอันตราย แต่ว่าแต่ละขั้นของบันไดนั้นคือการก้าวไปและแต่ละขั้นที่ก้าวไปก็ได้มองเห็นทิวทัศน์เห็นความสวยงามเห็นความวิจิตพิสดานต่างๆซึ่งบุคคลจะต้องเข้าใจว่านั่นคือขั้นบันไดแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงเท่านั้นเองธรรมะจึงมีลักษณะอย่างนี้อยู่เรื่อยก็นี้พึงดูแม้ในมงคลลสตรที่ทรงแสดงมงคลไว้เป็น38ข้อด้วยกันก็กล า, ายเป็นขั้นบันได ที่เริ่มจากการปรับตัวเองเป็นเบื้องต้นต่อมาก็ปรับสถาบันครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขตามฐานะของผู้ครองเรือนแล้วก็เริ่มด้วยการประพฤติปฏิบัติที่จะขัดเกลวความประพฤติขัดเกลวกิเลสของตนออกไปจากจิตใจโดยลาดับจนเกิดเป็นความสงบเป็นสมาธิแล้วก็จเจริญวิปัสสนารู้แจ้งอรยิยสัจบรรลุนิพพานไปในที่สุด เพราะั้นแม้ในมงคลทั้ง38ประการนี่เองบุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติไม่ต้องไปดึงธรรมะจากที่อื่นมาก็ได้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในประสูตร์อื่นในลำดับนั้นๆดังนั้น น, น, นันที่จึงถือว่าเป็นความเพลิดเพลินซึ่งจะต้องขยัดเมื่อถึงจุดที่จะไปอีกเป้าหมายหนึ่งหรืออีกบันไดขั้นหนึ่ง และจะมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับโดยนิยะดังที่กราบมาแล้วเมื่อสุมเมศกุมารได้เรียนอาจารย์ว่าได้นำนันทีออกไปแล้วแล้วขุดต่อไปก็เจอนาคก็กราบเรียนอาจารย์ว่าได้เจอกับนาคอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทาลายนาคจงแสดงความนอบน้อมจงบําเจริจงให้ความคารวะแต่นาคเหล่านั้น คนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าคำว่านาคนั้นหมายถึงพระอรหันต์แต่ขีณาสุปคือท่านผู้มีกิเลสมีอาสวะอันหมดสิ้นไปแล้วคำว่านาคในโวหารของคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นใช้เรียกในที่ที่แตกต่างกันแล้วก็หลายความหมายด้วยกันบางครั้งหมายถึงช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ฝึกปรืออบรมมาแล้ว บางครั้งก็หมายถึงงูขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆจะกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ลักษณะอีกประการหนึ่งก็หมายถึงงูธรรมดาสามัญอีกประการหนึ่งเป็นชื่อของต้นไม้เรียกว่าต้นกากระทิงเคยเป็นต้นไม้ที่ศัสรูของพระพุทธเจ้าในอดีตบางครั้งก็หมายถึงพระอรหันต์หรือพระเถระอรหันต์ทั้งหลาย แต่บางครั้งก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเองแต่เฉพาะในประศุตนี้ทรงหมายเอาพระอรหันตขีณาศพซึ่งบุคคลจะต้องแสดงความนอบน้อมความยำเกรงความเคารพนับถือหมายถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติบุคคลก็ต้องปลูกฝังความพอใจในอรหัน ต, ต์กุณในชั้นของการเข้าไปหาท่านผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเช่นนั้น เราต้องแสดงสามีจิกรรมความเคารพความ อ, อดน้อมต่อท่านเหล่านั้นคาว่าอารหันเป็นชื่อของพระอริยเจ้าผู้ทำลายกิเลสหมดสิ้นไปจากจิตใจตามปกติแล้วก็มีเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ศัสรุดีศัตรุชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัตสุตามด้วย ตั้งขึ้นเป็นรูปของศาสนาสืบต่อกันมาบางยุคบางสมัยและถามพระพุทธศาสนาเองก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็เคยมีมาแล้วในปัจจุบันก็มีและในอนาคตภายภาคหน้าก็มีคำว่าปัจจุบันก็คือพระพุทธศาสนาของเรานี้และในการภายภาคหน้าอีกนานไกลก็จะมีศาสนาพุทธเกิดขึ้น คือพระพุทธเจ้บาบังเกิดขึ้นข้อที่สองเรียกว่าปเจกับพุทธะคือท่านที่จัดสร้ดีจัสรุชอบเฉพาะตนแต่ไม่สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้จัดสรู้ตามท่านได้คือเป็นความรู้เฉพาะของท่านเองแต่ในขณะเดียวกันท่านก็พอจะแนะนำบอกกล่าวแก่คนอื่นแต่ก็ไม่ถึงกับตั้งเป็นรูปของศาสนา ส่วนมากท่านเหล่านี้จะเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลกคือหมายความว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สําคัญสําคัญเช่นหลักปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสีหลักของอนัตตาสมถะวิปัสนาเป็นต้นไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงของท่านด้วยวาสนาบา ร, รมีที่สะสมมาปรบมา สามารถที่จะมองเห็นอะไรก็ได้แล้วก็พิจารณาไปตามหลักของสมถะและวิปัสสนาก็เกิดจารัญญารู้ขึ้นด้วยตนเองตามลำดับแต่ก็ไม่ตั้งเป็นรูปของศาสนายุคสมัยที่มีพระบัจเจกพุทธเจ้าจึงมีพระบัจเจกพุทธเจ้ามากอาจจะเป็นร้อยเป็นพันแต่ท่านก็อยู่ตามป่าตามเขาของท่านอีกพวกหนึ่งเรียกว่าอนุพุท ธ, ธะหรือสาวกพุทธะ หรือบางทีก็เรียกว่าสุตตะพุท ธ, ธหมายถึงท่านที่ศัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แก่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาและเรียนพระปริยัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็นำหลักธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดปัญญารู้แจ้งตามที่พระพุทธเจ้าเคยรู้แจ้งมาทาอาสวะกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้ คำว่าอารหันจึงแปลว่าเป็นผู้ไกลถ้าถามว่าไกลจากอะไรก็ตอบว่าไกลจากอํานาจของกิเลสไกลจากความความทุกข์และไกลจากอํานาจของอารมณ์ทั้งๆที่ว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็คงเป็นห อ, อยู่อย่างที่มันเป็นอย่างไรพระหันทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยริน้นถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกาย อย่างสามัญชนทั่วไปแต่ว่าจิตใจของท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กาหนัดขัดเคืองลุ่มหลง ม, ม, มัวเปาในอารมณ์เราท่านรูปที่ปรากฏขึ้นทางตาของท่านก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายนอกจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่ว่าจิตใจของท่านไม่มีเชื้อคือกิเลสอยู่ภายใน อารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านได้นั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นความทุกข์ทั้งหลายคือเวทนาทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนหรืออาจจะเกิดจากอันตรายหนาวจัดร้อนจัดหิวจัดเป็นต้นนั่นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสามัญชน แต่เนื่องจากจิตท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออยู่ในสิ่งเหล่านั้นทุกขเวทนาก็เป็นเพียงสัก์แต่ว่าทุกขเวทนาเท่านั้นเองสำหรับท่านไม่ได้มีการปรุงแต่งไม่ได้ควายคว้าไปยึดถือว่าเราเจ็บเราป่วยเราปวดเราหิวเรากระหายคือว่าความเป็นเราความเป็นของเราความเป็นตัวเป็นตนของเราในพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไม่มีในรูปของความยึดความติดเย่งสามัญชน เพราะฉะนั้นทุกต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าถึงจิตใจของท่านนี่เป็นลักษณะของความเป็นผู้ไกลจากความทุกข์อย่างแท้จริงลีประการหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ไกลจากอํานาจของกิเลสคือกิเลส ท, ที่ท่านละทิ้งไปแล้วจะไม่หวนกลับมาสู่จิตใจของท่านอีกซึ่งท่านอุปมาเหมือนกับ ใบบัวที่เกิดเจริญเติบโตขึ้นในสระภายในโครนในตมท้าหนที่สุดก็ยกตัวเองขึ้นมาพ้นโครนพ้นตมพ้นน้ำแล้วก็อยู่เหนือน้ำจากนั้นน้ำที่ตกไปบนใบบัวก็ไม่อาจที่จะแทรกซึมเข้าไปในใบบัวได้อีกเช่นใดจิตใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเชนนั้นดังนั้นในประเด็นนี้ ผู้ปรารถนาจะแสดงความนอบน้อมต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายนอกจากจะกระทำด้วยสามีจิกรรมน้อมรำลึกถึงอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วก็จะพบว่าปฏิปทาที่นำให้บุคคลไกลจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์และอำนาจของอารมณ์นั้นระดับหนึ่งชั้นหนึ่งโดยอาศัยหลักของสติสัมปชัญญะและความเพียร พอประมาณบุคคลสามารถจะหาความสงบให้แก่จิตใ จ, จตนเองได้ด้วยการไม่ใส่ใจในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่งหลงและหมวัวเบาตั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ทั้งสี่ลักษณะนั้นเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสสายโลภโทสะและโมหะให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคล แต่ในขณะเดียวกันบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยตัวของอารมณ์แล้วก็เป็นกลางๆรูปเองก็เป็นกลางๆเสียงเองเองก็เป็นกลางๆกลิ่นเองก็เป็นกลางๆลเป็นต้นในกรณีที่เป็นกลางๆถ้าหากว่าบุคคลได้อาศัยหลักธรรมะคือสติสัมปชัญญะและความเพียรดังกล่าวแล้วก็อาจจะพิจารณาเห็นประจักษ์แล้วก็หาประโยชน์จากอารมณ์เหล่านั้นได้ อย่ในกรณีของปัญญาที่แก่กล้าลงมองดูบนต้นไม้เห็นใบต้นไม้ร่วงหล่นลงมาก็พิจารณาเทียบเคียงถึงชีวิตของตนเหมือนกับใบไม้ว่าใบาไม้นั้นดำรงอยู่เจริญเติบโตขึ้นโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยต่งตางๆแต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งการดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปตัวใบไม้ก็เปลี่ยนแปลงไปและในที่สุด ข้าวที่จะหล่นก็ปรากฏขึ้นโดยการมีใบเหลืองโดยลำดับแล้วในที่สุดก็หล่นชีวิตของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเะนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่โดยเหตุโดยปัจจัยร่วงการผ่านวัยกันมาเป็นนันมากแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งข้าวแห่งการร่วงหล่นก็จะปรากฏคือเมื่อความชราปรากฏมากขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะหล่น คือจะแตกดับไปก็มีมีไกรเข้ามาเป็นการอาศัยสิ่งรอบๆตัวนั่นเองพินิษฐพิจารณาให้เกิดเป็นธรรมะเกิดเห็นความจริงขึ้นจากประสาทสัมผัสของตนและในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นเป็นกุศลก็เป็นกุศลอยู่แล้วในตัวดังนั้นการมนานัสิการคือใส่ใจหรือไม่ใส่ใจนั้นก็อยู่ที่ว่ารู้จักเลือกเฟ้นอารมณ์ พราในหลักของการประพฤติปฏิบัตินั้นการสํารวมระวังอินทรีย์ในความหมายของพระพุทธศาสนาหมายเฉพาะแต่สํารวมระวังอินทรีย์เฉพาะที่จะก่อให้เกิดเป็นความกาหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมวบเมาขึ้นมาท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องสํารวมไปทุกกรณีเพราะในชั้นของการเจริญวิปัสสนาก็ดีสมถะก็ดีก็มีอารมณ์เหมือนกัน แต่อารม์ที่นำมาเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นพึงเห็นว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลโดยสภาพกับเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆโดยสภาพจะไม่เอาอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงมีอยู่อีกสองอารมณ์ใจรม์ที่เป็นกลางๆเช่นพวกซากศพวัยวะร่างกายเป็นต้นตลอดึงลมหายใจก็เป็นอารมณ์กลางๆ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการให้เกิดความสงบและเกิดปัญญาความรู้แจ้งขึ้นมาได้ส่วนอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าเป็นกุศลอยู่ในตัวเองแล้วเมื่อมานัสสีการถึงอารมณ์เหล่านั้นกุศลก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตกลายเป็นความสงบกลายเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาได้โดยลําดับเช่นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนี่ก็ ในชั้นของการสารวมระวังอินทรีย์คือใส่ใจเฉพาะทางแห่งความไม่กำหนัดไม่ขัดเกืองไม่ดุ่มหลวงเมื่เมาซึ่งหมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใส่ใจเข้าจะก่อให้เกิดเป็นความสงบเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีเป็นความดับกิเลสได้ในชั้นนั้นๆก็ใส่ใจถึงอารมณ์เหล่านั้นประการที่สองในชั้นของ การประพฤติปฏิบัติเพื่อสงบระงับจากบรรดากิเลสบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่แล้วภายในใจนั่นก็คือการบรรเทาอากุศลลวิตกเวลาใจเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ยินดีก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทก่อให้เกิดการมียดเบียนประทุสร้ายกันมองเห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นก็บรรเทากระแสแห่งอารมณ์ แต่ว่าใจของเราก็ต้องคิดต้องนึกต้องตรึกถึงอารมณ์โดยสภาพเพราะงานของจิตเป็นเช่นนั้นก็เนี่ยวนึกเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลมีประการต่างๆเช่นความสึกนึกในการที่จะสลายความกําหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดสลายความขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสลายความหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเป็นต้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติได้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่ง ซึ่งผลเหล่านี้ขอเพียงแต่บุคคลมีสติมีสัมมชัญญะมีความเพียรพยายามที่จะกระทำเท่านั้นกว่าที่จะเกิดขึ้นได้ในอิริยาบถต่างๆในสถานที่ต่างๆการเรียนรู้การเข้าใจจนรู้แจ้งธรรมะในทางาศาสนานั้นไม่ได้จากัดอยู่ที่อิริยาบถและไม่จากัดอยู่ที่สถานที่ดังนัน จริยาของพระอาหารหันตะขีนาศบทั้งหลายนั้นจะพบว่าปางองค์ก็อาศัยสิ่งใกล้ตัวของท่านเองหรือแม้แต่ตัวของท่านเองเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้หาความเข้าใจที่แท้จริงแห่งสิ่งทั้งหลายซึ่งบุคคลมีการกําหนดหมายและมีการยึดติดกันอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสแต่ก็ท่านเพิ่มเพิ่มสติสัมปชัญญะและปัญญาขึ้นในส่วนและความเพียรขึ้นในจุดนั้ น, น, น วิเคราะห์ตรวจสอบพิจารณาไปโดยลำดับก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาและเมื่อการปฏิบัติได้ในจุดนี้ก็ชื่อว่าเข้าใกล้อรหัตคุณอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหักกรรมแห่งสังสาระจักเป็นการอุปมาเห็นว่าชีวิตของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายนั้นได้สร้างเหตุปัจจัยซึ่งเปรียบเหมือนยานพาหนะที่นาคนให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ประสบความทุกข์ความทรมานตามสมควรแก่กาลแก่โอกาสแก่เพศแก่ฐานะแก่ที่ตั้งของวิญญาณในภพในชาตินั้ น, น, นและในวันในคืนนั้นก็นนเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมแม้จะมีการจำแนกออกไปตั้งสข้อก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าวิชาตันหาอุปาทานนั้นก็คือกิเลสกรรมก็คือกรรม สรุปรเพราะกิเลสกับการรมเท่านั้นเองที่เป็นตัวการสำคัญให้บุคคลต้องแวกไห้อยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ประสบความทุกข์บ้างความสุขบ้างมีปนครากันไปแต่สาวใดที่ยังอยู่ในโล ก, กียวิสัยแล้วสาบนั้นก็เป็นไปาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีสุขน้อยแต่มีทุกข์มาก ซึ่งในกรณีนี้ผู้มีปัญญาจะต้องนำไปตรวจสอบนำไปพิจารณาในลักษณะที่เทียบเคียงกันเช่นว่าการประสบอิทธารมอย่างใดอย่างหนึ่งคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการฝ่ายขว้านหามีการไขว้คว้าปรารถนาสแสวงหาจนถึงได้พาถือครองชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความสุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุ อะไรแตกต่างกันอะไรมีจำนวนมากและจานวนน้อยกว่ากันก็จะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องกรณีบางกรณีนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอหลังจากนั้นก็มีแต่ความทุกข์ความมิตกกังวลยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้แสวงหาทรัพย์สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นรถชนิดดีเป็นต้น ก็ได้มาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อจากนั้นก็เป็นห่วงใยถึงสิ่งของเรามีการอารักขามีการป้องกันมีการระแวดระวังเป็นต้นติดตามมาเพราะคำบอกของเราเป็นเหตุและในที่สุดก็ต้องแบกต้องยึดกับสิ่งเหล่านั้นจบนี้เมื่อมองในแง่ในมุมของการเทียบเคียงกันแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความสุขนั้นมีอยู่แต่มีน้อย เพราะความทุกข์มีลักษณะที่ท่วมทนคือทุกข์มากกว่าได้เกินดังนั้นผู้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยนิยะดังกล่าวก็สามารถที่จะบรรเทากิเลสเมื่อบรรเทากิเลสได้ปัญญาก็ปรากฏขึ้นแรงกล้าควบคุมพฤติกรรมทั้งหลายคือการแสดงออกทั้งทางกายทั้งทางวาจาทงจางใจของบุคคลก็เป็นไปในเรื่องของกุศล พวกอวิชชาก็จางลงวิชาปรากฏขึ้นวพวกตัณหาก็จางลงการไม่มีตัณหาก็ปรากฏขึ้นมากภายในจิตใจของบุคคลกรรต่อแต่นั้นก็จะมีกุศลมากกว่าอากุศลแล้วก็มีการขัดเกลามีการเปลี่ยนแปลงกันไปโดยลำดับตังนี้ถ้าหากว่าความรุนแรงของกิเลสอ่อน กรรมที่เป็นอคุศลก็น้อยความดีของบุคคลก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นก็สามารถสัมผัสอรหัตคุณอีกระดับหนึ่งคือเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาเคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายเป็นทักกินในยบุคคลคือผู้ที่เหมาะควรแก่การทําบุญการกระทําอัญชลีเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าคุณของประหารในส่วนนี้ ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัตในรูปของการขยจัดความชั่วน้อยลงสร้างความดีสูงขึ้นพฤติกรรมก็จะเป็นดีมากกว่าชั่วก็จะสัมผัสคุณโดยนยะดังที่กล่าวแล้วนั้นดังนั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นนาคจึงควรแก่การเคารพนบนอบของบุคคลทั้งหลายโดยการแสดงออกซึ่งสามีจีก ร, รมมีการไหวการกระทำอัญชลีการสการะบูชา ใีประการหนึ่งก็คือการดำเนินตามจริยาข้อประพฤติปฏิบัติของท่านจนสามารถสัมผัสคุณของท่านในระดับใดระดับหนึ่งตามกำลังความสามารถแห่งตนแล้วผลคือความสงบความยืกเย็นความประณีตความสะอาดแห่งจิตใจก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบ ต่อไป